บุ๊กทู1จ็ดสอดต้องการยาเนชโตสกักะเนชโตสักะคุณอยากทาอะไรชโตกเต สักกันคุณอยากเล่นฟุตบอลไหมซาตาฟตลสัดอกราตฟุตบอลคุณอยากไปหาเพื่อนๆนไหมสักเลตเตลิดิิโพตเตรยเลตต้องการอยาก <ส>ดิฉันไม่อยากมาสายดิฉันไม่อยากไปที่นั่ น, น ด, ด, ดิฉันต้องการกลับบ้าน สักคำจะไปอยู่บ้านสักคำจะไปอยู่บ้านฉันต้องการอยู่บ้านสกคำจะอยูสกคำจะอยู่บ้านฉันต้องการอยู่คนเดียวสักคำดี คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม s a k a l i d a u s t a n e s ovde Sakasli d a u s t a n e s ovde คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม Sakasli d a y a d e s ovde Sakasli d a y a d e s ovde да ov да ov คุณอยากนอนที่นี่ไหม Sakasli d a s p i e s ovde ดดคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะคุณต้องการจ่ายเงินพรุ่รงนี้ไหมคะ Сакате ли сметката да ја платите утре? Сакате ли сметката да ја платите утре? Кун ља пеј диско май? Сакате ли во диско? Сакате ли во диско? Кун ља пеј ду нанг май? Сакате ли во кино? Сакате ли во кино? คุณอยากไปร้านกาแฟไหมสาคาเตลิวคาฟละาาเลิคาฟละ